วันซืนตอนคำ่ำคนที่ใช้เฟซบุ๊กก็ได้รับการแจ้งเตือนนะว่ามันมีระเบิดนะเกิดขึ้นที่กลางกรุงเทพเลยคนก็แตกตื่นกันใหญ่คนจากที่ต่างๆก็ส่งข้อความมาถ่ายถาม เพื่อนสนิทมีสหายที่กรุงเทพว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่กบว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหนึ่งชั่วโมงต่อมาทางเฟ b บุ๊กก็ยกเลิกคำเตือนมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเฟ e บุ๊กเนี่ยถึง แจ้งคำเตือนที่ผิดพลาดก็พบว่า f a c e b o o นี่มันมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตินะเรียกว่าเฟซบุ o กเซฟตี้เช็คเนระบบอัตโนมัติมันทำงานเองถามว่าทำไมมันทำงานเองก็เพราะามันมีคน มีคนแจ้งข่าวเท็จนะอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานนะของอผู้รู้เนี่ยมันมีการไปแจ้งข่าวเท็จว่ามีระเบิดขึ้นที่กากรุงเทพระบบก็เลยทางานเองเลยนะมันไม่มีคนสั่งการนะระบบก็มารายงานแจ้งคำเตือนว่าเกิดระเบิดกลางกรุงเทพ ทางด้านเฟซบุ o กเนี่ยนะเขาก็สอบสวนแล้วเขาพบว่าอ๋ออันนี้คำอ้างของเขาเนะบอกว่ามันไอ้วันนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่บนหลังคาธนาคารออมสินในทมเนียบแล้วก็จุดประทัด ต, ต้องการเรียกร้องให้ใ น, ในายรัฐมนตรีนะ แก้ปัญหาของเขานะซึ่งเกิดจากการกู้เงินนอกระบบมั้งจนเป็นหนี้เป็นสินมากไม่มีทางออกก็เลยมาขอนะความช่วยเหลือจากนายกแต่ว่ากลัวจะไม่เป็นข่าวก็เลยจุดประทัดคนละเรื่องกันเลยนะจุดประทัดนี่แล้กลายไปว่าเกิดระเบิดการกรุงนี่มันห่างไกลกันมาก แต่ทาง a c e b o o กก็อ้างวาเนี่ยไอ้ข่าวนี้แหละที่มันไปกระตุ้นนะให้ระบบป้องกันภัยนะของ Facebook มันทำงานนะก็เลยมีการแจ้งคำเตือนไปยังคนที่อยู่กรุงเทพนะรวมทั้งผู้ใช้ a c e b o o k ทั่วโลกด้วยนะอันนี้ก็เป็น ถ้าหอนนะว่าข่าวที่เราได้รับเนี่ยทาง a c e b o o k เนี่ยที่จริงก็รวมถึงข่าวที่เราได้รับผ่านสื่อต่างๆนี่นม้จะเป็นสื่อระดับโลกนะหรือว่าเป็น เ, เว็บไซต์นะที่ติดระดับต้นๆของโลกนี่มันก็เชื่อถือไม่ได้นะ เชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าข่าวเท็คข่าวลวงก็ได้ตอนนี้เนี่ย a c e บุ o กก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะว่ามันมีข่าวเท็จเยอะมากซึ่งส่วนหนึ่งก็มีผลทำให้ทรัมป์นี้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยนะ เช่นมีข่าวเท็จว่าพระสันตะปาปาหรือป๊อฟฟานฟรานซิสเนี่ยนะสนับสนุนทาให้เป็นประธานาธิบดีนะข่าวนี่มันเผยแพร่ไปทั่วเฟซบุ๊กเลยนะนะตอนนี้เนี่ยนะคนเราก็เชื่อสิ่งที่ได้ยินสิ่งทีไ่ได้อ่านมากโดยเพราะทางโซเชียลมีเดีย a c e b o o กก็ดีไลน์ Line ก็ดีนะโดยเพาะไลน์นี่ข่าวเท็ตนี่เยอะนะ่นเชื่อมากไม่ได้ต้องกรองแต่คนสมัยนี้เนี่ยแม้จะมีความรู้เยอะหูตากว้างไกลนะแต่ว่าเชื่อข่าวเท็ง่ายมากเลยเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาตรวจสอบไม่มีเวลาตรวจสอบ ไม่มีแม้กรั่เวลาคิดใครค่ครวญว่ามันสมเหตุสมผลไหมข้อที่สองคือมันมีอคตินะข่าวไหนที่สนับสนุนอคติของตัวหรือเข้าได้กับความคิดของตั ว, วก็เชื่อทันทีเช่นถ้าเกียรติใครบางคนหรือเกียรติใครบางกลุ่มเนี่ยมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคนนั้นลกลุ่มนั้นนี่ก็เชื่อทันทีเลยแล้วก็แชร์กันไปส่งต่อกันไป อาจจะรู้ว่าเป็นข่าวเท็จนะก็เกิดความเสียหายแนละ้ว เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเสพข่าวจากสื่อนะไม่ใช่เฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียนะสื่ออื่นด้วยหรือแม้กระทั่งคำพูดที่เราได้ยินมานะจากคนรู้จักเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีวิจารณญาณ น, นะ ต้องใช้หลักกาละมาสูตรให้มากนะกาละมาสูตรนี่ผู้เจ้าตัดเมื่อ2600ปีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยิ่งจำเป็นด้วยเพราะว่าข่าวเท็จข่าวลัวมันเยอะมากทั้งที่เกิดโดยไม่ตั้งใจและที่เกิดโดยตั้งใจนะถ้าไม่มีเวลาตรวจสอบไม่มีเวลาคิดค้ควรก็อย่าพึ่งไปแชร์ไปเผยแพร่ อันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองคือว่าไอ้คำเตือนเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันมาจากระบบเตือนภัยนะของ Facebook มันเป็นระบบที่วางเอาไว้โดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าอัลกอริทึมอัลกอริทึมเนี่ยมันทำงานกับมันเองนะเนี่บางทีมีข่าวอะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวกับระเบิดเลยอย่างเช่นถ้าเชื่อที่ Facebook เขา ให้เหตุผลนะว่ามันมีการจุดประทัดในธรรมเนียมเนี่ยข่าวนี้พอมันเข้าสู่ระบบนะเตือนภัยของเฟซบุ o กเอากริท์มันก็ทำงานเลยมันก็ตีความว่ามีระเบิดกลางกรุงเทพเนยะอันนี้เป็นฝีมือของเครื่องจักรน ะ, ะไม่ใช่เครื่องจักรมันเป็นกลไกลอัตโนมัติแบบดิจิตอลนะเรียกเอลกริท์ม ระบบเหล่านี้มันก็มีประโยชน์นะเหมือนกับระบบแจ้งเตือนภัยเวลาไฟไหม้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเตือนภัยได้ถูกต้องร้อยเปอร์ซนบางทีมีคนสูบบุหรี่นะในห้องเนี่ยระบบหรือสัญญาณเตือนภัยมันก็แจ้งว่ามีไฟไหม้เนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในอเมริกาเนี่ยเเคยมีการเปิดเผยว่า ระบบเตือนภัยขีปนาวุธเนี่ยนะบางทีก็ทํางานนะแจ้งว่ามีขีปนาวุธจากรัเสเซียเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยตามระบบที่เขาวางไว้ก็ต้องมีการยิงตอบโต้นะเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธธรรมดาเนระต้องอาจจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์เลยระบบเตือนภัยมันก็แจ้งนะว่ามีขีปนาวุธหรือว่ามีสิ่งวัตถุแปลกปลอมเนี่ย เข้ามาในนั่นนะเข้ามาในนั่นฟ้าของอเมริกาเนี่ยแต่ก็ดีน้าที่มันมีการตรวจสอบโดยมนุษย์สมัยนี้เนี่ยระบบระบบที่ทำงานโดยโอัตโนมัติเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างตอนนี้มันก็ใช้คอมพิวเตอร์ บางทีก็มีการเตือนภัยว่าวันนี้ไม่ได้อากาอกกำลังมีการเตือนแจ้งว่าเรานนยังไม่ได้วันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายนะให้ออกกาลังกายซะอันนี้ไม่เท่าไหร่บางทีก็มีการแจ้งเตือนว่าไขามันเยอะไปแล้วน ะ, ะให้ระมัดระวังการกินอาหารที่มีไขมันตอนนี้ก็กําลังมีความที่จะเอารถเนี่ยเอาระบบอัตโนมัติมาใช้กับรถนะก็ ค, ค, คือว่ารถขับเคลื่อนเนองโดยไม่ต้องมีคนขับใช้แบบระบบคอมพิวเตอร์ก็อาศัยอัลกอริทึมนี่แหละทำงาน ไอ้พวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่าความผิดพลาดก็มีเนยพราะเดี๋ยวนี้ข่าวนะที่เราเสพนี่มันก็มาจากระบบอัตโนมัติเนี่ยของ a c e b o o k เนี่ยหรือว่าของสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็เยอะมากนีมันไม่ได้มาจากคนมันมาจากเครื่องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังยิ่งต้องมีวิวจารณญาณมากขึ้นจะไปเชื่อเครื่องก็ไม่ได้มีเพื่อนคนึงเป็นมะเร็งนะ ไปเข้าเครื่องซีซีสแกนมันไม่บอกว่าเป็นมะเร็งมันไม่บอกนะแต่ว่าเขารู้เพราะว่าเขาสังเกตเพราะว่าเวลาฉี่แล้วเนี่ยมันมีเลือดไหลออกมาแล้วก็พราบว่าต่อตอนหลังก็พบว่าเป็น เ, นเพราะมีมะเร็งในก็เพาะปัสสาวะเครื่องซีซีสแกนราคาแพงเนี่ยหลายล้านเนี่ยมันไม่บอกมันหาไม่เจอในทางตรงข้ามมงคลเนี่ยไม่เป็นมะเร็งนะแต่เครื่องมันบอกว่าเป็นก็ก็มีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณด้วย อย่าไปเชื่อแต่ก่อนนี้ก็าบอกอย่าไปเชื่อคนมากเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเครื่องเทคโนโลยีก็เชื่อมากไม่ได้นะต้องเผื่อใจไว้บ้างอาเราเตรียมระพรอิทังปฏิทังตุมพังค่อย้ะผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ข, ขิป่าวุสมีชาตูสรงสำเร็จโดยชาพรสาเพบุเรนตุสังกัปปา ขอความดํามหลี่ทั้งพวงจงเต็มที่ฉันโทปนราโซยัตถเหมือนพระอาจารย์นวันเพนมณีโชติราโซยัตถเหมือนแกมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภิตีโยมิวาฉันโตผ่านจารยทั้งพวงจงบําราดไปสาภโรโควินาสตุโรทั้งพวงของท่านจงหาย มาเตหวัฒนตารายโยอันตารายะมีแก่ท่านสุขิธ no ิคายุโกภวาอันตองเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัตนาสีริสันิจามุตาวัจยินโนจัตตารุธรมมวาทันติอายุวันโนสุขังภะละคืออายุวันณสุขาภะละ ยังเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเวยกรามีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้เพราะว่าตูสัพพมังคาังอสัพพะหมงคอนจงมีแก่ท่านราคันตูสัพพเทวตาพราเทวดาทั้งพวงจงรักสาท่านสาพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรมานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งพระธรรมสาธาสังภานุภาเวนาโดยอนุภาแห่พงพระสงฆ์สาธาสโสธิภาวันตุเตขอฝาสวสดีททางลายจงมีแก่ท่านทเมื่อเธอ